เหตุที่เกิดกรรมสามประการนี้เหตุที่เกิดกรรมสามประการอะไรบ้างคือ 1. อโลพะความไม่โลภเป็นเหตุให้เกิดกรรม 2. อโทสะความไม่คิดประทุษร้ายเป็นเหตุให้เกิดกรรม 3. อโมหะความไม่หลงเป็นเหตุให้เกิดกรรมกรรมที่ถูกอโลภะครอบงำเกิดจากอโลภะมีอโลพะเป็นเหตุมีอโลภะเป็นแดนเกิด เมื่อสิ้นโลภะแล้วเป็นอันบุคคลและกรรมนั้นได้ตัดรากถอนโคนได้เหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเปิดขึ้นต่อไปไม่ได้กรรมที่ถูกอโทสะครอบงำเกิดจากอโทสะมีอโทสะเป็นเหตุมีอโทสะเป็นแดนเกิดเมื่อสิ้นโทสะแล้วเป็นอันบุคคลและกรรมนั้นได้ตัดรากถอนโคนได้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 เกิดขึ้นต่อไปไม่ได้มเมล็ดพืชไม่แตกหักไม่เสียหายไม่ถูกลมและแดดกระทบมีแ่นในถูกเก็บไว้อย่างดีบุรุษพึ่งเอาไฟเผาะมะเมล็ดพืชเหล่านั้นครั้นเอาไฟเผาแล้วทำให้เป็นขมเหลวครั้นทำให้เป็นขมเหลวแล้วพึงโปรยลงในลมที่พัดแรงหรือลอยเสียในแม่ น, น้ามีกระแสไหลเชี่ยวมเมล็ดพืชอ น, นั้นชื่อว่า ถูกตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้แม้ฉันใดกรรมที่ถูกอโลภะครอบงาเกิดจากอโลภะมีอโลภะเป็นเหตุมีอโลภะเป็นแดนเกิดก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อสิ้นโลภะแล้วเป็นอันบุคคลละกรรมนั้นได้ตัดรากถอนโคนได้ เหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทําให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้กรรมที่ถูกอโทสะครอบงําละถึงกรรมที่ถูกอโมหะครอบงําเกิดจากอโมหะมีอโมหะเป็นเหตุมีอโมหะเป็นแดนเกิดเมื่อสิ้นโมหะแล้วเป็นอันบุคคลละกรรมนั้นได้ละถึงเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ ภิกษุทั้งหลายเหตุที่เกิดกรรมสามประการนี้แหลคนเขลาทำกรรมที่เกิดเพราะโลภะโทสะและโมหะกรรมที่คนเข่านั้นทำแล้วจะมากหรือน้อยก็ตามย่อมไม่ผลในอัตภาพนี้แหลสิ่งอื่นที่จะรองรับผลกรรมนั้นไม่มีเพราะเหตุนั้นภิกษุผู้รู้โลภะโทสะและโมหะจึงไม่ทากรรมที่เกิดเพราะเมื่อทาวิชาให้เกิดขึ้น ย่อมละทุคติทั้งปวงได้นิทานสูตรที่สี่จบหหัตกะสูตรว่าด้วยหัตกะกุมารทูลถามถึงความสุขข้าพเจ้าได้สะดับมาอย่างนี้ สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่บนที่ลาดใบไม้ในสีส ป, ปาวันป่าไม้สีเสียดใกล้ทางเดินของโคเขกรุงอาลวีครั้งนั้นหักกะกุมารชาวกรุงอาลวีเดินพักผ่อนอิริยาบถได้เห็นพระผู้มีพระภาคประทับนั่งบนที่ลาดใบไม้ในสีส ป, ปาวันใกล้ทางเดินของโคจึงเข้าไปเฝ้าถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรเดกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้เจริญพระองค์ทรงอยู่สุขสบายดีหรือพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอย่างนั้นกุมารเราอยู่เป็นสุขดีและเราเป็นหนึ่งในบรรดาคนที่อยู่เป็นสุขในโลกฮัทกะกุมารกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ราตรีในฤดูหนาวตั้งอยู่ในระหว่างเป็นสมัยที่หิมะตกพื้นดินแข็งแต่กระแหงที่ลาดใบไม้บางใบไม้ทั้งหลายอยู่ห่างกันผ้ากาสายผ้าย้อมน้ำฝาดเย็นและลมเวรำพระที่เยือกเย็นก็กาลังพัดลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้ว่าอย่างนั้นกุมารเราอยู่สุขสบายดี เราเป็นหนึ่งในบรรดาคนที่อยู่เป็นสุขในโลกพระผู้มีพระภาคตรัสต่อไปอีกว่าถ้าอย่างนั้นในเรื่องนี้เราจะย้อนถามเธอเธอพึงตอบปัญหานั้นตามที่เธอชอบใจเธอเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรเรือนยอดของข้าบดีหรือบุตรข้าบดีในโลกนี้ที่เขาโบกทั้งภายในและภายนอกลมพัดเข้าไม่ได้มีบานประตูปิดมิดชิด หน้าต่างปิดสนิทในเรือนยอดนั้นพึงมีบรรลังลาดด้วยผ้าโกเชาลาดด้วยเครื่องลาดทำด้วยขนแกะสีขาวลาดด้วยเครื่องลาดทำด้วยขนแกะลายดอกไม้ลาดด้วยเครื่องลาดอย่างดีทำด้วยหนังชมดข้างบนมีเพดานมีหมอนสีแดงวางไว้ทั้งสองข้างและประทีปน้ำมันทรงสว่างอยู่ในเรือนนี้ ประชาบดีสีนางพึงบำรุงด้วยวิธีที่น่าชอบใจน่าพอใจเธอเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรข้าบดีหรือบุตรข้าบดีนั้นพึงอยู่เป็นสุขหรือไม่หรือเธอเข้าใจในเรื่องนี้อย่างไรข้าบดีหรือบุตรข้าบดีนั้นพึงอยู่เป็นสุขและเขาเป็นคนหนึ่งในบรรดาคนที่อยู่เป็นสุขในโลกพระพุทธเจ้าข่ากุมารเธอเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไร ความเร่าร้อนทางกายหรือทางใจที่เกิดเพราะราคะซึ่งเป็นเหตุให้ผู้ที่ถูกแผดเผาอยู่เป็นทุกข์พึงเกิดขึ้นแก่ข้าพดีหรือบุตรข้าพดีนั้นบ้างไหมอย่างนั้นพระพุทธเจ้ า, า, าข่ากุมารข้าพเดีหรือบุตรข้าพดีนั้นถูกความเร่าร้อนที่เกิดเพราะราคะใดแผดเผาอยู่พึงอยู่เป็นทุกข์ราคะนั้นตถาคตละได้เด็ดขาดแล้ว ตัดรากถอนโคนได้เหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทําให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจึงอยู่เป็นสุขกุมารเธอเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรความเร่าร้อนทางกายหรือทางใจที่เกิดเพราะโทสะละถึงความเร่าร้อนทางกายหรือทางใจที่เกิดเพราะโมหะ ซึ่งเป็นเหตุให้ผู้ที่ถูกแผดเผาอยู่เป็นทุกข์พึ่งเกิดขึ้นแก่ข้าบดีหรือบุกฆ่าบดีนั้นบ้างไหมอย่างนั้นพระพุทธเจ้าข้ากุมารข้าบดีหรือบุกฆ้าบดีนั้นถูกความเร่าร้อนที่เกิดจากโมหะใดแผดเผาอยู่โมหะนั้นตถาคตละได้เด็ดขาดแล้วตัดรากถอนโคนได้เหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้ว เหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจึงอยู่เป็นสุขพรามผู้ดับกิเลสแล้วย่อมอยู่เป็นสุขทุกเมื่อผู้ไม่ติดอยู่ในกามเป็นคนเยือกเย็นไม่มีอุปทิกกิเลสตัดกิเลสเครื่องข้องทุกอย่างแล้วพึงกำจัดความโกลนกระวายในใจเข้าถึงความสงบย่อมอยู่เป็นสุข พัทธกะสูที่ห้าจบ 6. เทวทูตสูตรว่าด้วยเทวทูตภิกษุทั้งหลายเทวทูตสามจำพวกนี้เทวทูตสามจำพวกไหนบ้างคือ 1. บุคคลบางคนในโลกนี้ประพฤติกายทุจริตความประพฤติชั่วด้วยกายวจีทุจริตความประพฤติชั่วด้วยวาจาและมโนทุจริตความประพฤติชั่วด้วยใจหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกนายนิริยบาลจับแขนเขาไปแสดงต่อพยายมว่าขอเดชะคนผู้นี้ไม่เกื้อกูลมารดา ไม่เกื้อกูลบิดาไม่เกื้อกูลสมณะไม่เลื้อกูลพราหมณ์และไม่อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในสกุลขอพระองค์จงลงโทษแก่คนผู้นี้เถิดภิกษุทั้งหลายพยายมสอบสวนซักไซไล่เลียงเขาถึงเทวทูตที่หนึ่งว่าเจ้าไม่เคยเห็นเทวทูตที่หนึ่งปรากฏในหมู่มนุษย์บ้างหรือเขาตอบว่าไม่เคยเห็นพระเจ้าค่า พยาโยมถามเขาว่าในหมู่มนุษย์สตรีหรือบุรุษมีอายุ80ปี90ปีหรือ100ปีเป็นคนชรามีส่โครงคดหลังโกงหลังค่อมถือไม้เท้าเดินงกงเ ง, งิ่นเงนเก้ะเจ๊กังๆังหมดความเป็นหนุ่มสาวฟันหักผมหงอกศีสะล า, านหนังเหี่ยวตัวตกกระเจ้าไม่เคยเห็นบ้างหรือ เขาตอบว่าเคยเห็นพระเจ้าค่าพยายมถามเขาว่าเจ้านั้นเป็นผู้รู้เดียงสาเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้คิดอย่างนี้เลยหรือว่าถึงตัวเราก็มีความแก่เป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความแก่ไปได้เอาเถอะเราจะทำความดีทางกายวาจาและใจเขาตอบว่าไม่เคยคิดเพราะมัวประมาทอยู่พระเจ้าค่าพยายมถามเขาว่า เจ้าไม่ได้ทำความดีทางกายวาจาและใจเพราะมัวประมาทอยู่เอาเถอะเขาจะลงโทษเจ้าตามฐานะที่ประมาทก็บาปกรรมนี้นั้นบิดามารดาพี่ชายน้องชายพี่หญิงน้องหญิงมิดอมาตยติสาโลหิตเทวดาสมณพรามไม่ได้ทำให้เลยเจ้าทําเองแท้เจ้านั่นเองต้องรับผลของบาปกรรมนั้นสอง พยายมครั้นสอบสวนซักไซยไลเลียงเขาถึงเทวทูตที่หนึ่งแล้วจึงสอบสวนซักไซสไลเลียงถึงเทวทูตที่สองว่าเจ้าไม่เคยเห็นเทวทูตที่สองปรากฏในหมู่มนุษย์บ้างหรือเขาตอบว่าไม่เคยเห็นพระเจ้าค่าพยายมถามเขาว่าในหมู่มนุษย์สตรีหรือบุรุษป่วยประสบทุกข์เป็นไข้หนัก นอนจมอยู่ในมูดและกลีกของตนผู้อื่นต้องช่วยพยุงให้ลุกขึ้นช่วยป้อนข้าวเจ้าไม่เคยเห็นบ้างหรือเขาตอบว่าเคยเห็นพระเจ้าค่ะพญายมถามเขาว่าเจ้านั้นเป็นผู้รู้เดียงจาเป็นผู้ใหญ่ไม่เคยคิดบ้างหรือว่าถึงตัวเราก็ต้องป่วยไข้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความป่วยไข้ไปได้เอาเถอะ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 ญาสาโลหิตเทวดาสมณพราหมณ์ไม่ได้ทำให้เลยเจ้าทำเองแท้ๆเจ้านั่นเองต้องรับผลของบาปกรรมนั้นสามพญายมครั้นสอบสวนซักไซ่ไล่เลียงเขาถึงเทวทูตที่สองแล้วจึงสอบสวนซักไซ่ไล่เลียงถึงเทวทูตที่สามว่าเจ้าไม่เคยเห็นเทวทูตที่สามที่ปรากฏในหมู่มนุษย์บ้างหรือเขาตอบว่า ไม่เคยเห็นพระเจ้าค่าพญายมถามเขาว่าในหมู่มนุษย์สตรีหรือบุรุษที่ตายได้หนึ่งวันสองวันหรือสามวันพองขึ้นเป็นสีเขียวมีน้ำเหลืองแตกซ่านเจ้าไม่เคยเห็นบ้างหรือเขาตอบว่าเคยเห็นพระเจ้าค่าพญายมถามเขาว่าเจ้าเป็นผู้รู้เดียงสาเป็นผู้ใหญ่ไม่เคยคิดบ้างหรือว่า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 ก็บาปกรรมนั้นบิดามารดาพี่ชายน้องชายพี่หญิงน้องหญิงมิดอมาตย่าสาโลหิตเทวดาสมณพรามไม่ได้ทำให้เลยเจ้าทำเองแท้แท้เจ้านั่นเองต้องรับผลของบาปกรรมนั้นพญายมครั้นสอบสวนซักไซ้ไล่เลียงเขาถึงเทวทาที่สามนั้นแล้วก็นิ่งเสียนายนิรยาบาลจึงทากรรมกร ชือเครื่องพันธนาการห้าอย่างคือตอกตะปูเหล็กแดงที่มือสงข้างที่เท้าสองข้างและที่กลางอกเขาเสวยทุกเวทนากล้าอย่างหนักเผ็ดร้อนณนะที่นั้นแต่ยังไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมยังไม่สิ้นไปนายนิริยบาลฉุดล่าเขาไปเอาขวานถากเขาเสวยทุกขเวทนากล้าอย่างหนักเผ็ดร้อนณนะที่นั้น แต่ยังไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมยังไม่สิ้นไปนายนิริยบาลจับเขาเอาเท้าขึ้นเอาศีรษะลงเอามีดเฉือนและถึงจับเขาเทียมรถแล่นกลับไปกลับมาบนพื้นอันร้อนลุกเป็นเปลวโชวดช่วงบังคับเขาขึ้นลงภูเขา่านเพลิงลูกใหญ่ที่ไฟลุกโชนจับเขาเอาเท้าขึ้นเอาศีรษะลง ทุ่มลงในโลหะกุ้มพี่อันร้อนแดงลุกเป็นแสงไฟเขาถูกต้มเดือดจนตัวพองในโลหะกุ้มพีนั้นบางครั้งลอยขึ้นบางครั้งจมลงบางครั้งลอยขวางเขาเสวยทุกขเวทนากล้าอย่างหนักเผ็ดร้อนอยู่ในโลหะกุ้มพีอันร้อนแดงนั้นแต่ยังไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมยังไม่สิ้นไป นายนิริยบาลจึงทุ่มเขาลงในมหานรกก็มหานรกนั้นมีสีมุมสี่ประตูแบ่งออกเป็นส่วนมีกำแพงเหล็กล้อมรอบครอบด้วยฝาเหล็กมีพื้นเป็นเหล็กลุกโชนโชดช่วงแผ่ไปไกลด้านและร้อยยอดตั้งอยู่ทุกเมื่อเทวทูตสูที่หจบ ยามราชาสูตรว่าด้วยพยายมภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วพยายมได้มีความคิดอย่างนี้ว่าชนเหล่าใดทำบาปกรรมไว้ในโลกชนเหล่านั้นถูกในนิริยาบานทรมานด้วยวิธีการต่างๆอย่างนี้โอ๋หนอเราพึงได้ความเป็นมนุษย์พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พึงเสด็จอุบัติในโลกเราพึงเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นพึงแสดงธรรมแก่เราและเราพึงรู้ทั่วถึงธรรมของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นภิกษุทั้งหลายเราได้ฟังข้อความนั้นต่อจากสมณะหรือพรามอื่นแล้วจึงกล่าวอย่างนี้ก็หาไม่แต่เรากล่าวสิ่งที่เรารู้เองเห็นเองทราบเองเท่านั้น มานพเหล่าใดอันเทวทูตตักเตือนแล้วยังประมาทอยู่มานพเหล่านั้นเข้าถึงหมู่ที่เลวย่อมเศร้าโศกตลอดกาลนานส่วนสัพ บ, บรุษเหล่าใดเป็นผู้สงบในโลกนี้อันเทวทูตตักเตือนแล้วไม่ประมาทในอริยธรรมในเวลาใดๆเห็นภัยในความยึดมั่นถือมั่นที่เป็นบ่อเกิดแห่งการเกิดและการตาย ย่อมหลุดพ้นในธรรมเป็นที่สิ้นการเกิดและการตายเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นสัพุรุษเหล่านั้นจึงถึงความเกษมมีความสุขดับสนิทในปัจจุบันล่วงพ้นเวรและภัยทุกอย่างข้ามพ้นทุกทั้งสิ้นยะมะราชสูตรที่เจ็ดจบ 4. จตุมหาราชาสูตรว่าด้วยท้ามหาราทั้งสี่ภิกษุทั้งหลายในวันแปดข้ามแห่งปักเทวดาผู้เป็นบริวารผู้ช่วยเหลือของท้ามหาราทั้งสี่เที่ยวตรวจดูโลกนี้ว่าในหมู่มนุษย์มนุษย์ที่เกื้อกูลมารดาเกื้อกูลบิดาเกื้อกูลสมณนะเกื้อกูลพรามอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในสกุลอยู่จาอุโบสถ อยู่จำปฏิชาคระอุโบสถทำบุญกันอยู่มีอยู่มากหรือหนอในวันสิบสี่ข้ามแห่งปักบุตรของท้าวมหาราชทั้งสี่เที่ยวตรวจดูโลกนี้ว่าในหมู่มนุษย์มนุษย์ที่เกื้อกูลมารดาเกื้อกูลบิดาเกื้อกูลสมณนะเกื้อกูลพรามอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในสกุลอยู่จำอุโบสถอยู่จำปฏิชาครอุโบสถทำบุญกันอยู่ มีอยู่มากหรือหนอในวันอุโบสถสิ้าค่ำนั้นท้าวมหาราชทั้งสี่เที่ยวตรวจดูโลกนี้ด้วยตัวเองว่าในหมู่มนุษย์มนุษย์ที่เกื้อกูลมารดาเกื้อกูลบิดาเกื้อกูลสมณะเกื้อกูลพราหมณ์อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในสกุลอยู่จำอุโบสถอยู่จำปฏิชาคระอุโบสถทําบุญกันอยู่มีอยู่มากหรือหนอถ้าในหมู่มนุษย์ มนุษย์ที่เกื้อกูลมารดาเกื้อกูลบิดาเกื้อกูลสมณะเกื้อกูลพรามอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในสกุลอยู่จำอุโบสถอยู่จำปฏิชาคระอุโบสถทำบุญกันอยู่มีอยู่น้อยท้ามหาราชทั้งสี่ย่อมรายงานเหตุนั้นแก่พวกเทวดาชั้นเดวเดึงที่นั่งประชุมร่วมกันในสภาชื่อสุธรรมมาว่าในหมู่มนุษย์ มนุษย์ผู้เกืือกเกูลมารดาเกืือกูลปิดาเกืือกูลสมณะเกืือกูลพราหมอ้อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในสกุลอยู่จำอุโบสถอยู่จำปฏิชาคราอุโบสถทำบุญกันอยู่มีจำนวนน้อยเพราะเหตุนั้นพวกเทวดาชั้นเดาวดึงจึงพากันเสียใจว่าหมู่เทพจากเสริมหมู่อสูรจากบริบูรณ์ก็ท่าในหมู่มนุษย์ มนุษย์ผู้เกือ้อกูลมารดาเกือ้อกูลบิดาเกือ้อกูลสมณนะเกือ้อกูลพรามอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในสกุลอยู่จำอุโบสถอยู่จำปฏิชาคระอุโบสถทำบุญกันอยู่มีจำนวนมากท้ามหาราชทั้งสีย่อมรายงานเหตุนั้นแก่พวกเทวดาชั้นดาวดึงที่นั่งประชุมร่วมกันในสภาชื่อสุธรรมมาว่าในหมู่มนุษย์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 เท้าสักกะจอมเทพเมื่อแนะนำพวกเทวดาชั้นดาวดึงดึได้ตรัสคาถานี้ในเวลานั้นว่านรชนแม้ใดผู้เช่นกับเราพึงอยู่จำอุโบสถประกอบด้วยองค์8สิ้นวัน14บสี่คัมสบห้าและแปดคัแห่งปักและสิ้นปฏิหารยะปักคาถานี้เท้าสักกะจอมเทพขับผิดขับไม่ดีกล่าวผิดกล่าวไม่ดี ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเท้าสักกะจอมเทพยังไม่ปราศจากราคะไม่ปราศจากโทสะไม่ปราศจากโมหะส่วนภิกษุใดเป็นพระอรหันตขีนาศอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำขีดที่ควรทำเสร็จแล้วปรงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภาวะสังโยชน์แล้วหลุดพ้นเพราะรู้โดยชอบภิกษุนั้นควรกล่าวคำว่า นรชนแม้ใดผู้เช่นกับเราพึงอยู่จำอุโบสถประกอบด้วยองค์8สิ้นวันสิบสี่ค่ำส5บห้าค่ำและ8ปดค่ำแห่งปักและสิ้นปฏิหารยปักข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะภิกษุนั้นปราศจากราคะปราศจากโทสะปราศจากโมหะจตุมหาราชสูตรที่8ดจบ ทุติยะจะตุมหาราชสูตรว่าด้วยท้ามหาราชทั้งสี่สูตรที่สองภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วท้าวสักกะจอมเทพเมื่อนแนะนำพวกเทวดาชั้นดาวดึงด้วยตรรกาฐานนี้ในเวลานั้นว่านรชนแม้ใดผู้เช่นกับเราพึงอยู่จำอุโบสถประกอบด้วยองค์แปดสิ้นวันส4สี่ค่ำสิบห้าค่ำ และแปดข้ามแห่งปักและสิ้นปฏิหารยปักคาถานี้เท้าสักกะจอมเทพขับผิดขับไม่ดีกล่าวผิดกล่าวไม่ดีข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเท้าสักกะจอมเทพยังไม่พ้นจากชาติความเกิดชราความแก่มรณะความตายโศกะความเศร้าโศกริเทวะความครื่มครวญทุก์ความทุกข์กาย โภมนัดความทุกข์ใจและอุปาญาต์ความรับแค้นใจเรากล่าวว่ายังไม่พ้นจากทุกข์ส่วนภิกษุใดเป็นพระอาหารหันตขีนาศพอยู่จบโรมจันทร์แล้วทำจิตที่ควรทำเสร็จแล้วปลงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภวะสังโยชน์แล้วหลุดพ้นเพราะรู้โดยชอบภิกษุนั้นควรกล่าวคาว่า นรชนแม้ใดผู้เช่นกับเราพึงอยู่จำอุโบสถประกอบด้วยองค์8สิ้นวันส4่ค่ำ15้ค่ำและ8ดค่ำแห่งปักและสิ้นปฏิหารยปักข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะภิกษุนั้นพ้นแล้วจากชาติชราโมรณนะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปาญาตเรากล่าวว่าพ้นจากทุกข์ ทุติยะจะตุมหาราชาสูตรที่แปดจบ 9. สุขุมรารสูตรว่าด้วยสุขุมลราชาติภิกษุทั้งหลายเราเป็นผู้สุขุมลราชาติ เป็นผู้สุขุมมลชาติอย่างยิ่งเป็นผู้สุขุมมลชาติอย่างยิ่งยวดได้ทราบว่าพระราชบิดารับสั่งให้ขุดสะโบครณีสะบวัวไว้เพื่อเราภายในที่อยู่ได้ทราบว่าพระราชบิดานั้นรับสั่งให้ปลูกอุบลไว้ในสะหนึ่งปลูกปทุมไว้ในสะหนึ่งปลูกปุญทริกบัวขาวไว้ในสะหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่เรา เราไม่ได้ใช้เฉพาะไม้จันแควนกาสีพราราสีเท่านั้นผ้าโพกของเราก็ทำในแควนกาสีเสื้อก็ทำในแควนกาสีผ้านุ่งก็ทำในแควนกาสีผ้าห่มก็ทำในแควนกาสีทั้งคนรับใช้คอยกั้นสเสวตชัติให้เราตลอดวันและคืนด้วยหวังว่าหนาวร้อนทุลีญ่าหรือน้ำค้างอย่าได้กระทบพระองค์ท่าน เรานั้นมีปราสาทอยู่สามหลังคือปราสาทหลังหนึ่งเป็นที่อยู่ในฤดูหนาวหลังหนึ่งเป็นที่อยู่ในฤดูร้อนหลังหนึ่งเป็นที่อยู่ในฤดูฝนเรานั้นได้รับการบาเรอด้วยดนตรีที่ไม่ใช่บุรุษบรรเลงตลอดสเดือนฤดูฝนในปราสาทฤดูฝนไม่ได้ลงข้างล่างปราสาทเลย ก็แลในที่อยู่ของคนเหล่าอื่นเขาให้ข้าวป่นข้าวหักมีน้ำผักดองเป็นกลับแก่ทาตคนงานและคนรับใช้ฉันใดในนิเวศของพระราชบิดาของเราก็ฉันนั้นเหมือนกันเขาให้ข้าวสาลีสุกผสมเนื้อแก่ทาตคนงานและคนรับใช้เรานั้นเพียรพร้อมด้วยความสําเร็จอย่างนี้และเป็นผู้สุขุมารชาติอย่างยิ่ง ได้มีความคิดว่าปุถุชนผู้ยังไม่ได้สดับตนเองเป็นผู้มีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้เห็นบุคคลอื่นแก่ก็อึดอัดระอารังเกียจลืมตัวไม่คิดว่าแม้เราเองก็มีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้การที่เราผู้มีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้ เห็นบุคคลอื่นแก่ก็อึดอัดระอ า, ร, ารังเกียจนั้นไม่สมควรแก่เราเลยเรานั้นเมื่อพิจารณาเห็นอย่างนี้จึงละความมัวเมาในความเป็นหนุ่มสาวได้โดยประการทั้งปวงผู้ทุชนผู้ไม่ได้สดับตนเองเป็นผู้มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้เห็นบุคคลอื่นเจ็บไข้ก็อึดอัดระอ า, ร, า, ร, ารังเกียดลืมตัว ไม่คิดว่าแม้เราเองก็มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้การที่เราผู้มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้เห็นบุคคลอื่นเจ็บไข้ก็อึดอัดระอารังเกียจนั้นไม่สมควรแก่เราเลยเรานั้นเมื่อพิจารณาเห็นอย่างนี้จึงละความมัวเมาในความไม่มีโรคได้โดยประการทั้งปวง ผูุ้ชนผู้ไม่ได้สดับตนเองเป็นผู้มีความตายเป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความตายไปได้เห็นบุคคลอื่นตายก็อึดอัดระอารังเกียดลืมตัวไม่คิดว่าแม้เราเองก็มีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้การที่เราผู้มีความตายเป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความตายไปได้เห็นบุคคลอื่นตายก็อึดอัดระอารังเกียดนั้น ไม่สมควรแก่เราเลยเรานั้นเมื่อพิจารณาเห็นอย่างนี้จึงละความมัวเมาในชีวิตได้โดยประการทั้งปวงความมัวเมาสามประการนี้ความมัวเมาสามประการอะไรบ้างคือ 1. ความมัวเมาในความเป็นหนุ่มสาว 2. ความมัวเมาในความไม่มีโรค 3. ความมัวเมาในชีวิตผู้โชนผู้ไม่ได้สดับ มัวเมาในความเป็นหนุ่มสาวประพฤติกายยทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกปุถุชนผู้ไม่ได้สดับมัวเมาในความไม่มีโรคละถึงหรือปุถุชนผู้ไม่ได้สดับมัวเมาในชีวิตประพฤติกายยทุจริตวัจีทุจริตมโนทุจริต หล ar e. ังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกภิกษุผู้มัวเมาในความเป็นหนุ่มสาวย่อมบอกคืนสิกขากลับมาเป็นคราะหัดภิกษุผู้มัวเมาในความไม่มีโรคย่อมบอกคืนสิกขากลับมาเป็นคราะหัดหรือภิกษุผู้มัวเมาในชีวิตย่อมบอกคืนสิกขากลับมาเป็นครหัดปุถุชนทั้งหลายมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา มีความแก่เป็นธรรมดาและมีความตายเป็นธรรมดาเป็นอยู่ตามสภาวะย่อมพากันรังเกียจบุคคลอื่นก็การที่เรารังเกียจความป่วยไข้เป็นต้นนี้ในหมู่สัตว์ผู้มีสภาวะอย่างนี้นั้นไม่สมควรแก่เราผู้มีปกติอยู่อย่างนี้เรานั้นอยู่อย่างนี้รู้ธรรมที่หมดอุปธิเห็นความสำราญในเนคขมะย่อมครอบงาความมัวเมาทุกอย่าง คือความมัวเมาในความไม่มีโรคความมัวเมาในความเป็นหนุ่มสาวและความมัวเมาในชีวิตความพยายามได้มีแก่เรานั้นผู้เห็นนิพพานบัดนี้เราไม่กลับไปเสพกามเราจะไม่เวียนกลับจากมีพรหมจรรย์เป็นจุดมุ่งหมายสุขุมารสูที่9จบ อาธิปเตยยสูตรว่าด้วยอาธิปไตยภิกษุทั้งหลายอาธิปไตยความเป็นใหญ่3มประการนี้อาธิปไตยสมประการอะไรบ้างคือ 1. นึอัตตาธิปไตยความมีตนเป็นใหญ่ 2. โลกาธิปไตยความมีโลกเป็นใหญ่ 3. ธรรมมาธิปไตยความมีธรรมเป็นใหญ่ มัตตาทิปไตยเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้อยู่ในป่าบ้างอยู่ตามโคนต้นไม้บ้างอยู่ในเรือนว่างบ้างย่อมเห็นประจักษ์ว่าเราออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตไม่ใช่เพราะเหตุแห่งจีวรบินทบาทเสนาสนะเราออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตไม่ใช่เพราะเหตุแห่งความมีหรือความไม่มีเช่นนั้นอันหนึ่ง เราถูกชาติชรามรณะโซกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปาญาตครอบงำชื่อว่าถูกทุกครอบงำมีทุกอยู่ตรงหน้าทำอย่างไรการทำที่สุดกองทุกทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏการที่เราละกามเช่นใดแล้วจึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเราพึงแสวงหาการเช่นนั้นหรือการที่เลวกว่านั้น นั้นไม่สมควรแก่เราเลยภิกษุนั้นเห็นประจักษ์ว่าความเพียรที่เราเริ่มไว้แล้วจักไม่ย่อหย่อนสติที่ตั้งมั่นแล้วจะไม่เลอะเลือนกายที่สงบแล้วจกไม่กระสับกระส่ายจิตที่ตั้งมั่นแล้วจกมีอารมณ์แน่วแน่เธอทำตนเท่านั้นให้เป็นใหญ่และอกุศลบำเพ็ญกุศลและกรรมที่มีโทษบำเพ็ญกรรมที่ไม่มีโทษ รักษาตนให้บริสุทธิ์พิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าอัตตาธิปไตยโลกาธิปไตยเป็นอย่างไรคือพิกษุในธรรมวินัยนี้อยู่ในป่าบ้างอยู่ตามโคนต้นไม้บ้างอยู่ในเรือนว่างบ้างย่อมเห็นประจักษ์ว่าเราออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตไม่ใช่เพราะเหตุแห่งจีวรบินบาศเสนาสนะ เราออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตไม่ใช่เพราะเหตุแห่งความมีหรือความไม่มีเช่นนั้นอันหนึ่งเราถูกชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาครอบงำชื่อว่าถูกทุก์ครอบงำมีทุกข์อยู่ตรงหน้าทำอย่างไรการทำที่สุดกองทุกทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏ ก็เราบวชแล้วอย่างนี้พึงคิดเรื่องกามเรื่องปองร้ายเรื่องเบียดเบียนโลกสัรนิวาสการอยู่ร่วมกันของสัตว์โลกนี้ใหญ่ก็ในโลกสรรนิวาสใหญ่มีสมณพราหมณ์ผู้มีฤทธิ์มีตาทิพย์รู้จิตของบุคคลอื่นสมณพราหมณ์เหล่านั้นมองเห็นได้แม้จากที่ไกลแม้อยู่ใกล้ก็ไม่ปรากฏรู้จิตของบุคคลอื่นแม้ด้วยจิตของตน สมณะพราแม้เหล่านั้นพึงรู้จักเราอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายโปรดดูกุลบุตรนี้เพราะมีศรัทธาเขาจึงออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตเต็มไปด้วยบาปอากุศลธรรมอยู่แม้เทวดาผู้มีฤทธิ์มีตาทิพรู้จิตของบุคคลอื่นก็มีอยู่เทวดาเหล่านั้นย่อมปรากฏจากที่ไกลบ้างเข้ามาใกล้แล้วกลับมองไม่เห็นบ้าง ย่อมรู้จิตด้วยจิตบ้างเทวดาแม้เหล่านั้นพึงรู้จากเราอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายโปรดดูกุลบุตรนี้เพราะมีศรัทธาเขาจึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเต็มไปด้วยบาปอากุศลธรรมอยู่ภิกษุนั้นเห็นประจักษ์ว่าความเพียรที่เราเริ่มไว้แล้วจะไม่ย่อหย่อนสติที่ตั้งมั่นแล้วจกไม่เลอะเลือน กายที่สงบแล้วจกไม่กระสับกระส่ายจิต ท, ที่ตั้งมั่นแล้วจกมีอารมณ์แน่วแน่เธอทำโลกเท่านั้นให้เป็นใหญ่และอกุศลบําเพญกุศลและกรรมที่มีโทษบําเพญกรรมที่ไม่มีโทษรักษาตนให้บริสุทธิ์ภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าโลกาธิปไตยธรร ม, มาทิปไตยเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวิไนนี้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 และอุบายญาครอบงำชื่อว่าถูกทุกครอบงำมีทุกอยู่ตรงหน้าทำอย่างไรการทำที่สุดกองทุกทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตน ก็เพื่อนพรหมจรีผู้รู้เห็นอยู่มีอยู่การที่เราบวชในธรรมวินัยที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วอย่างนี้พึงเกียรคร้านประมาทอยู่นั้นไม่สมควรแก่เราเลยภิกษุนั้นย่อมเห็นประจักษ์ว่าความเพียรที่เราเริ่มไว้แล้วจะไม่ย่อหย่อนสติที่ตั้งมั่นแล้วจะไม่เลอะเลือนกายที่สงบแล้วจะไม่กระสับกระส่าย จิตที่ตั้งมั่นแล้วจกมีอารมณ์แน่วแน่เธอยกทำเท่านั้นให้เป็นใหญ่และอกุสนบำเพ็ญคุสนและกรรมที่มีโทษบำเพ็ญกรรมที่ไม่มีโทษรักษาตนให้บริสุทธิ์ภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมาธิปไตยภิกษุทั้งหลายอาธิปไตยสามประการนี้แลชื่อว่าความลับของผู้ทาบาปย่อมไม่มีในโลก แนบูรุษตัวท่านเองย่อมรู้ว่าจริงหรือเท็จท่านผู้เจริญท่านสามารถทำความดีได้แต่กลับดูหมิ่นตัวเองเสียและยังปกปิดความชั่วซึ่งมีอยู่ในตนถวยเทพและตะถาคตย่อมมองเห็นท่านผู้เป็นพนผานประพฤติไม่สม่ำเสมอในโลกเพราะเหตุนั้นแหละคนที่มีตนเป็นใหญ่ควรมีสติท่โยไป คนที่มีโลกเป็นใหญ่ควรมีปัญญาและเพ่งพินิษส่วนคนมีธรรมเป็นใหญ่ควรประพฤติตามธรรมมุนีผู้มีความบาปบันอย่างจริงจังย่อมไม่เสื่อมบุคคลใดมีความเพียนข่มมานครอบงำมัจจุราชผู้กำหนดชะตากรรมเสียได้สัมผัสธรรมเป็นที่สิ้นความเกิดบุคคลเช่นนั้นย่อมเป็นผู้รู้แจ้งโลกมีปัญญาดี เป็นมุนีหมดความทยานอยากในธรรมทั้งปวงอธิปเตยสูตรที่สิบจบเทวทูตวักที่สี่จบรวมพระสูตรที่มีนนวักนี้คือ 1. สพร ม, มกะสูตร 2. อานันทสูตร 3. สารีปุตสูตร 4. นิทานสูตร 5. หัตกะสูตร 6. เทวทูตสูตรเจ็ดยมราชาสูตรแปดทุติยะจตุมหาราชาสูตรเก้าสุขุมาลสูตรสิบอาธิตยสูตร